อาารขอโอกาสอาจารย์วันนี้มีพระมหาเถระเขมานะครับผู้ใหญ่อาจารย์พระมหาปจวบสอนกรรมฐานอาชนประทานปกครอการพูดก้ ย, ยนนั่งยงแับนพวกเรามาฟังธรรมเอาธรรม ฟังเพื่อให้ได้แนวทางที่จะเอาไปปฏิบัติเพราะธรรมะเนี่ยถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัตินะก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ฟังเล่นเพลิเลิเสียเวลาด้วยซ้ำไปถ้าฟังแล้วต้องเอาไปทำก็ก่อหลงข้อไปหาครูบาอาจารย์ก็ไปหาแนวทางปฏิบัติกันได้ไม่ได้ไปคุยเรื่องอื่นตอนเด็กๆไปวัด อโศการาไ เ, เรียนสมถะและ ท, ท่านพอดีอันแบบนั้นเจ็ดขวแต่เราก็ทําสมถะมาเรื่อยๆไม่มีครูบาอาจารย์ท่านอยู่ไม่นานท่้นก็วรณภาพไปเราก็เด็กไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้แต่ตอนครูบาอาจารย์อยู่ในนิสาเสียเวลาเปล่าๆไปยี่สิบกว่าปีฝึกแต่สมถะนุ้นๆเลยตั้งยี่สิบสองปีซึ่งมีปรัชนาไม่เป็น ตอนั้นมัมีแต่ใจอยากปฏิบัติอย่างเดียวนะทุกวันมานั่งกําหนดลมหายใจใหายใจเข้าพู้นหายใจออกโต ท, ทําอยู่ได้แต่ความสงบบ้างความตึงต้านบ้างก็เหมือนพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกนั่นแหละปฏิบัติแล้วบางวันก็สงบบางวันก็ตึงต้านมันก็วนๆอยู่เท่านี้เองตกเย็นมาไหว้พระสวดมนต์นทำสมาธิหรือจงกรมสงบ พอ ร, รุ่งเช้าไปทำมาหากินไปทำงานแล้วปร้งใหม่วนเวียนจนกระทั่งยี่สิบสามกรุณาสองห้าปีสองห้าคือได้ไปการาบหลวงปู่ดูลพอไปเจอท่านเนี่ยเป็นข้าไปถึงก็ไปกราบท่านไม่ได้มีถวายดอกมอง้ลดอกไม้อย่างพวกเราอย่างนี้ไม่มีพิธีการใรทั้งสิ้นตามไปถึงกง็ององกราบหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติ หลวปู่ไม่สอนนะปู่หลับตาเงียบๆในชั่วโมงเราก็กระวนกระวายใจก็ไปหาท่านแปดโมงกว่าเดี๋ยว0ิบโมงต้องขึรถไปกลับกรุงเทพเจาตัวไวอย่างนั้นท่านหลับตาอยู่ชั่วโมงเราก็ต้องรู้ท่านไม่สอนเราท่านหลับไปถ้าหลืบตาท่านสอนง่ายๆการปฏิบัตินะ่ะไม่ยากมันยากสําหรับผู้ไม่ปฏิบัตินะ ท่านสอนตอบอีกประโยคหนึ่งอ่านหนังสือมามากแล้วตอไอันนี้ให้อ่านจิตตนเองเพจริงหลวงปูดูจะเป็นปรครูบาอาจารย์ที่แปลกท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันก่อนที่ท่านจะสอนใครจริงจังเนี่ยท่านจะหลับตาเงียบๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วสอนให้ประโยคต์ของประโยคไม่มากนี่พอท่านสอนลงข้อบอกว่า อ่านนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตันเองได้ฟังคํานี้แนะั้นมันพึ่งใจขึ้งใจรู้สึกเรามีทางเดินต่อแต่เดิมทำแต่สมถะไม่รู้ว่าจะเดินต่ อ, อยังไงท่านบอให้ดูจิตตัวเองรู้สึกบางคนให้ก็ให้ดูกายนะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่้ก็ให้ดูเลื่อนเลื่อนแต่ผมคนเล็บตามหนังบางคนก็ดูกระดูกอะไรเงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ท่านต่อนหลวงอให้ดูจิต ถ้าดูไปแล้วมันก็เหมาะกับการจิตนิสัยจิตนิสัยของคนมันมีสองกลุ่มพวกหนึ่งเขาเรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสวยรักงามรักสุกรักสบายท่านเหล่านี้เหมาะที่จะดูกายเพราะร่างกายเนี่ยมันสอนให้เราเห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่สุกไม่สบายแอีกพวกหนึ่งเรียกว่าพวกคิดทีจริตพวกคิดมากพวกคิดมากเหมาะกัาการดูจิตใจ จิตใจที่เป็นของเปรียนรวดเร็วกานที่เราไปดูเราเห็นความเสรี่ยนแปลงได้ง่ายแต่เราเดี๋ยวสูขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเด<ๆ>ี๋ยวร้าย น, นั่นก็สอนให้ตรงกับจริตนั่นเองทุกวันนี้คนที่เปเรียนกับหลวงพ่อก็มีหลายแบบนะบางคนหลวงพก็ให้ดูกายมันก็ดูจิตแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันทางใจทางมันถ้าคนไหนเป็นพวกคิดมากคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้เป็นพวกคิดมากนะคิดมาก ทำอาหากินก็ใช้คิดคิดเอาไม่ได้ทำไร่ทำนาอะไรคนที่คิดมากๆพุ่นวายอยู่ในการคิดไม่เหมาะที่จะดูจิตใจตัวเองแล้วสมัยก่อนครูบาอาจารย์สอนสั้นนิดเดียวหลวงคุดูบอกว่าอ่านหนังสือม า, มากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตัวเองแสอนแค่ยิ่งเสร็จแล้วท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกเข้าใจแล้วครับมันลืมนะมนลืมก็รู้เข้าใจที่เชื่อไม่เข้าใจหรอกมันลืม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 ทำอะไรไม่ถูกคือกลับาตั้งหลักทำสมถะไว้หลวงพ่อก็กลับมาพุโธพุโทโธพุโทโธไปใจใรืสบายขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพิจารณาจิตมันต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่จิตไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะคอยรู้อยู่ไม่ให้เกินกายเราบอกไปจริงเนี่มันซ้ำซ้ำทางไปนะให้การวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลมันก็ไปตรงกับหลักที่ครูบาอาจารย์ ท่านมบอกให้ทีหลังทำไมเรียนทีแรกท่านาไม่ค่อยบอกอะไรให้หลังไปเจอท่านใาจาหมหาบุรค่ายนมาสอ น, อนอว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันมีเท่านี้เองอย่ากเกินนี้ออกไปอย่ากเกินกายออกไปตอนนั้นก็ไม่เข้าใจาว่าทำไมต้องไม่เกินกายออกไปรู้แต่ว่าจิตมันอยู่ในกายเราจะดูจิตเพราะฉะนั้นเราไม่ดูเกินกายออกไป อันนี้จริงๆก็ตรงกับหลักของพระพุทธเจ้าได้เองการทํากรรมฐานเนี่ยเราทำเพื่อละความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตน ต, ต, ต, ตัวเราตัวเราก็มีแต่ตายกับใจนี้เองแื่อเรามาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจวันหนึ่งกะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้เป็นพระสุนตธรรได้ละความยึดถือกายยึดถือใจได้เรียกว่าลารหัไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเป็นเรื่องกายกับใจทั้งนั้นการปฏิบัติ ไม่เกิดกายกันใจนี่หลวงพ่อนั่งดูมาเอ๊ร่างกายนี้เป็นจิตหรือเปล่าเราเราจะไม่ให้มันเกิดกายจิตอยู่ในผมหรือเปล่าลองจับผมดูนะจับแต่ก่อนผมยาวนะก็จับผมดู <c oughs> ในในผมไม่เห็นมีจิตตรงไหนเลยในขนในเล็บตามหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกไล่ไล่ไล่อยู่ในกายเนะี่ยหาจิตไม่เจอตั้งแต่ศีตาถึงเท้าก็หาจิตไม่เจอ รู้แต่ว่าจิตอยู่ในกายในจิตอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือว่าจิตมันเป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็มันนั่งรถไฟไปนะนั่งไม่ค่อยขยับเลยนั่งนิ่งๆดูความทุกข์มันถาเข้ามาความทุกข์มันมาแล้วมันไปมันมาแล้วมันไปไม่เห็นป็นมีจิตตรงไหนเลยในความรู้สึกทุกข์หรือว่าจิตคือความคิดของเราเอง ว่า น, นี้ยังมีคนไปถามหลวงพ่อเลยนะว่าจิตกับความคิดเป็นอันเดียวหรือเปล่าหลวงพ่อก็มาสังเกตดูมาหัดคิดเลยคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาบทหนึ่งพุทโธสุดๆโธกรุณามาฮั่นละโวทคิดคิดบทสวดมนต์นี้หนแล้วก็เห็นนิงขึ้นมาความคิดนี่มันไหลออกมาไหลออกมาจากจิตมาเห็นเลยความคิดก็เป็นสิ่งที่จิตเครู้เข้านึกขึ้นได้ร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่จิตเครู้เข้า เวท น, นาความทุกข์ท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเพราะจิตนี้ก็คือคนที่ไปรู้สิ่งต่างๆนั่นเองท่านบอกให้เรารู้คนที่ไปรู้สิ่ต่างๆที่เจ๋งนี้มือรู้อย่างนี้จิตใจมันก็ถอดถอยออกมานะถอนออกมาได้แวบเดียวจิตของพวกเราที่ไม่ได้เคยปฏิบัติเนี่ยมันจะรวมอยู่กับอารมณ์มันจะรวมเป็นก้อนๆน ะ, นะอยู่กลางหน้าอกเป็นรวมกับอารมณ์อยู่เมือเรารู้เท่าทันมันจะถอดถอนตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดู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 แค่เรารู้สึกตัวเท่านั้นเองจิตใจมันก็ถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูล้วถ้าความรู้สึกตัวแท้ๆเกิดขึ้นสติแท้ๆเกิดขึ้นจิตใจมันจะถอดถอนตัวเองเออกมาเป็นคนรู้คนดูรุนหลังๆนี่จะสบายกว่าหลวงพ่อเยอะรูบาอจารย์แต่ก่อนเนี่ยเขี้ยวเข็นทรมานลูปติดมากท่านทรมานเอาไว้เพื่อไว้ทํางานต่อไปเรียนอย่างยากลําบากมันทําให้เราเก่ง ว่ที่เราต้องคอยรู้คอยสังเกตมากมาลื่นหลังๆคล้ายๆเรียนแบบเรียนรับนะเหมือนเรียนรามอะไรนี่นะมีติวเตอร์อยู่หน้ามหาวิทยาลัยเยอะๆสิวงครอบสอบกันต้องง่ายหน่อยแต่ง่ายแล้วมักจะขี้เกียจ น, นะไม่ค่อยใจสู้เท่าไหร่กรรมาฐานต้องใจสู้มากกัดไม่ปล่อยนี่ปัญจมันแยกออกจากผู้รู้จากสิ่งที่ถูกรู้มันแยกออกจากกันไปแว บ, บเดียวนะเสร็จแล้วมันก็ไปรวมกันใหม่ โหอดทนมากนะในการตามรู้ตามดูอีกการที่หนึ่งรู้ออกมาสองสามแป๊บหนึ่งลาบากมากถ้าเป็นพวกเราใจสอดหลายคนเนี่ยลาบากขนาดนี้เลิกแล้วไม่เอาละอยู่เฉ ย, เฉยๆก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรปฏิบัติเนี่ยทำไมมันลาบากมากมาแต่หลวงพ่อไม่เลิกนะเข้ารู้เข้าดูจิตใจตัวเองไปก็เห็นแต่ว่าเออบางวันมันก็ทุกข์มากบางวันมันจะทุกข์น้อย บางวันจิตใจก็ไปรวมการลมนะรวมกันเป็นก้อนหนักๆเลยนะบางวันก็ก้อนเล็กก้อนใหญ่อะไรนี่เอาแน่ไม่ได้หนักบ้างเบาบ้า ง, างเนี่ยตะลุมบอลอยู่อย่างนี้อยู่สามเดือนไม่คิดว่าเราดูจิตเป็นไปหาหลุมฝูงครูผมไปดูจิตมาแล้วจิตเป็นยังไงจิตมันเป็นก้อนนะก้อนเล็กบ้างก้อนใหญ่บ้างนะภาวนาบางวันภาวนาดีมก็หูุดออกมาภาวนาไม่ดีมไปรวมกันอีก เล่าให้ท่านฟังนึกว่าท่านจะชมนะท่านหน้าตาเฉยๆนั่นนป็นอาการของจิตไม่ใช่จิตกลับไปดูใหม่ตอนอย่างนี้นะโอ้โหกลับไปดูใหม่นะต้องมาเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เอาละเราเป็นไม่ไปยุ่งกับอาการจิตมันเป็นยังไงเราจะคอยรู้อย่างที่มันเป็นไอยรู้ไปมันมีความสุข ก, ก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้นะ เป็นปูชนมันเป็นอนังปูชนีคอยรู้มันเปลี่ยเรื่อยๆตามรู้ตามดูมันเปลี่ที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรยากหลวงพ่อฝึกตอนนั้นยังรับราชการอยู่งานมากแต่ว่าไม่ได้เกียกว่างานมากแล้วไม่ปฏิบัติหลวงอปฏิบัติได้แต่ตื่นนอนนี่เราต้องกัดติดแล้วต้องทําให้ได้ตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บลึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแร้งเลย พอนึกได้ว่าวันนี้วันสุกร์นะใจสดชื่นเลยนั่นนึกได้ว่าใกล้ลองวิกเอ็ตนะจะมีความสุขมากเป็นพิเศษความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันความรู้สึกของเราแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกไม่เหมือนกันเวลาเรากินข้าวเจอของที่ชอบใจความรู้สึกอย่างหนึ่งเจอของไม่ชอบใจความรู้สึกอย่างหนึ่งเวลาเราเจอคนอื่นคนที่เราชอบใจความรู้สึกเราเป็นอย่างหนึ่ง เดีคนที่เราเปลียนความรู้สึกเนีย่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะาตาเราไปมองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเ <ะ S 1> ช่นเห็นเพื่อนเรามาเราก็ดีใจเห็นหมาบ้าวิ่ง ม, มาเรากลัวหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลีย่ยนเช่นเราได้ยินเสียงนี้เพราะปลุกใจมีความสุขได้ยินคนเขาด่าดกันนะไม่มีความสุขําพานแต่ถ้าเราสุข ด, ดา่าตัวเองได้ยินแล้วเขาด่าเรานะมันโมโหนะความรู้สึกมันเปลี่ยนคอรู้เรื่อยๆรู้ไป ตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปตัดแปลงมะันหลักของวิปัสสนาจริงๆเนี่ยให้รู้รูปนามรู้กายรู้ใจตัดความเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปตัดแปลงแล้วเราค่อรู้เรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งใจมันก็แจ้งขึ้นมามันจะรวมเข้าไปแล้วก็ตัดสินของมันเองเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้เนี่ยเป็นของโช่วะตาวทั้งหมดความสุกขก็โช่วะตาวความทุกข์ก็โช่วะตาว กุศลนะกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวชั่วคราวทั้งหมดร่างกายเราเราก็รู้สึกนะร่างกายนี้ก็ของอาศัยชั่วคราวอะไรๆในชีวิตที่ของชั่วกราวทั้งหมดการที่เราเห็นว่าหันท่าหายใจของเราเป็นของชั่วคราวเกิอแล้วก็ดับไปตัวนี้เรียกว่าธรรมะธรรมาธรรมะไม่ใช่อะไรลึกลับอะไรหรอกธรรมะก็คือการที่เราเข้าถึงความจริงของชีวิตที่ว่าร่างกายนี้จิตใจนี้จริ ง, รงๆแล้วเป็นไม่ใช่ตัวเรา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 จิตเองก็มีธรรมชาติที่เกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับนะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปไม่ใช่ตัวเดิมหรอกถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจสัมมานี่วิธีฝึกที่จะให้เห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกเจริญสติใครเคยทำกรรมาฐานอะไรก็ทําอย่างนั้นต่อไปใครเคยหัดพูดโธพูดโตต่อไปใครเคยหัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจต่อไปใครจะดูท้องของยุบก็ดูต่อไป อะไรก็ได้ใครจะขยับมืออย่างสายลวงพ่อเทียนก็ขยับตอบไปหลวงพ่อไม่ได้เลือกกรรมฐานนะใครถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นที่วัดหลวงพ่อเลยมีเพื่อนๆจากทุกตานักนะไปกันเยอะแยะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกว่าต้องวิธีนั้นต้องวิธีนี้หลวงพ่อก็บอย่างหนึง่งไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดหรอกมันมีแต่กรรมฐาน ท, ที่เหมาะกับเราแต่ละคนแต่ละคนเหมาะไม่เหมือนกัน บางคนถนัดเดินก็เด <hosts. S 1> <ch> ินเอาบางคนถนัดนั่งก็นั่งเอาบางคนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้บางคนถนัดจะไปรู้ท้องของหยุดก็รู้ไปอะไรก็ได้ขอให้เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็พอแล้วกรรมฐานอะไรที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็อย่าไปทํามันมันอ้อท้องเสียเวลามันจะได้แต่สมถะเพราะวิปัสสนาเนี่ยสุดท้ายต้องมารู้การรู้แจตัวเองจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ถึงจะเรื่องวิปัสสนา แต่ถ้าเราไปนั่งเพ่งไปนะเพ่งเทียนเพ่งอะไร น, นี่มันไม่เกี่ยวกับกายกับใจเราก็กลับมาดูกายดูใจลำ บ, บากนิดนึงแตถ้าตัดเป็นก็กลับได้เหมือนกันนะเช่นดูดูไฟไปดูเทียนไปเพ่งกระสินจิตใจสงบขึ้นมาก็รู้จิตใจมีปีติก็รู้ีกลับมารู้จิตอย่างนี้ก็พอไปได้เหมือนกันแต่กรรมาฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราทำทุกวันนี้มเป็นกรรมาฐานที่เรื่องด้ยกายด้วยใจเราก็ทำของเราต่อไป จะทำไปเพื่ออะไรพวกเราหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็ทําทมานานแล้วมันก็วนอยู่ที่เดิมเพราะแต่ใดถึงวนอยู่ที่เดิมก็สติตัวจริงไม่เกิดขึ้นคนในโลกนี้ที่มีสติจริงๆเนี่ยนับตัวได้นะหลวงพ่อกล้าท้าเลยคนในโลกนี้ส่วนมากเกือบทั้งหมดเกือบร้อยละร้อยนะไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่เคยรู้สึกตัวอย่างแท้จริง เราตื่นขึ้นมาเฉพาะตัวเฉพาะร่างกายของเราปนะากันมานั่งอยู่าาศาลาลุงชินนี้แต่จิตของเราไม่ตื่นขึ้นมาจิตของเราพอตื่นร่างกายตื่นขึ้นมาจิตก็ไหลเข้าไปนะไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเราไปอยู่ในโลกของความคิดและความคิดไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้ของจริงคือไม่เคยรู้กาย ร, รู้ใจตัวเองได้เลยเราปวดแต่รู้ความคิดรู้เรื่องราวที่คิดแลส้สติจริงๆไม่เกิดขึ้นมา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 เอาใจเป็นแนบอยู่กับลมหายใจได้สมถะเอาใจเป็นแนบไปที่ท้องอันเดียวได้สมสถะสติเกิดจากการจําสภาวะได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราหัดจําสภาวะพอจิจตจําสภาวะได้แล้วพอสภาวะนั้นเกิดแล้วสติจะเกิดเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนธรรมะ ก, กับหลวงพ่อเนี่ยลงพ้อเฉลยเลยหลวงพ้อสอนให้พวกเรารู้จักตัวสภาวะธรรมนั่นเนงองโดยเฉพาะสภาวะธรรมทางใจเป็นของดูง่าย สภาวะรมทางกายดูยากนะพวกเราชับนึกว่าดูกายง่ายคนที่จะดูกายได้ดีต้องมีการทําสมาธิหนุนหลังเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์วัดป่าไม่ทิ้งสมาธินะถ้าทิ้งสมาธิแล้วหงายท้องเลยถ้าจะเดินแนวของครูบาอาจารย์วัดป่าต้องทําสมาธิถ้าทําสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ทําสมาธิเพื่อให้เกิดนิมิต ด, ด้วยนะหนุนหลังๆไปลงนิมิตกันมากขึ้นมากขึ้น เราทำสมาที่เพื่อให้จิตมันตั้งมัน่นมีสติสะอาดละ่ะมีส ต, ติมีใจที่ตั้งมัน่นแล้วจะสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะว่ากายไม่ใช่ตัวเราเพราะฉนั้นการจะทํากรรมฐานที่รู้กายเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งถ้าใจไม่ตั้งมัน่นพอจะเห็นไม่ได้จิตจะได้แต่เป็นเพ่งกายนิ่งๆไว้จะเกิดปัญญายากนิดหนึ่งส่วนการดูจิตใจเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ทําฌานไม่เป็น เหมาะกับคนเมืองคนที่คิดทั้งวันจิตใจมีแต่ความฟุ้งตา้านถ้าจิตใจฟุ้งตา้านเราก็หัก ด, ดูความรู้สึกของเราไปนะหัดไปเรื่อยๆเยจิตใจฟุ้งตา้านเรารู้ว่าฟุ้งซ่านนี่ก็เรียกว่าทำกรรมฐานละนี่ตอนที่เราจะรู้ว่าจิตใจฟุ้งต้านได้เราก็ต้องหักก่อนเบื้องต้นทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราเคยทำพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องก็ได้ดูมือก็ได้นะทำไปทำแล้วหัดสังเกตสภาวะ ไม่ใช่ทําเพื่อให้ใจนิ่งลูกเดียวนะพวกเราหลายคนทําแล้วก็น้อมใจเพื่อจะให้มันนิ่งใจที่นิ่งมันไม่เกิดสัญญานะไม่คนละเรื่องกันมันเป็นที่พักผ่อนเฉยๆเีนะ่ยสมมติเราพุโทโธพุโทโธหรือเรารู้ลมหายใจเราก็หายใจเราไปพอใจของเราแอบไปคิดใครเคไหายใจใช่ไหมถ้าเคยฝึกลมหายใจเราจะรู้ไลยหายใจแป๊เดียวใจจะหนีไปคิดแล้วให้เรารู้ทำนะว่าใจหนีไปคิดแล้ว ไม่ห้ามมันนะไม่ตําหนิติตเตี่ยนจิตใจตัวเองใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดมารู้ลมหายใจต่อไปประเดี๋ยวหนึงใจจะเข้าไปเพ่งที่ลมหายใจไปเกาะนิ่งนิ่งไว้กับลมหายใจเราก็รู้ทันใจว่าใจไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจละหายใจไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ยอมสงบเลยจิตใจเราฟุ้งต้านรู้ว่าฟุ้งต้านนี่หัดรู้สภาวะสภาวะฟุ้งต้านเกิดขึ้นเราก็รู้ทันหายใจไปเรื่อยๆ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 จิตใจสงบรือว่าสงบมีปีติมีความสุขรือว่ามีปีติรือว่ามีความสุขหายใจไปแล้วจิตใจเป็นยังไงคอรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะดูท้องไปท้องก็เพื่อเป็นตามจังหวะการหายใจของเรานะคนไหนขยับมือนะเดี๋ยวสายลงก็อเตียนท่านสอนขยับมือลงก็อเตียนท่าเป็นพราที่ดีที่สุดองค์หนึ่งนะเป็นพราที่ดีที่สุดองค์หนึ่งคําสอนของท่านนี่เฉียบขาดมากทนะ่าสอนให้ขยับให้ขยับเพื่ออะไรเพื่อจะรู้สึกตัว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 การที่เราคอยหัดรู้สภาวะเนื่องๆตามรู้สภาวะเนืองๆมันทําให้จิตของเรารู้จักสภาวะมันจําสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นคนที่ฝึกตามวิธีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งสติก็จะเกิดนะโดยทั่วๆไปบางคนมาฟังหลวงพ่อสองวันสามวันคนทนฟังนะฟังไม่รู้เรื่องก็ทนฟังแปดสองวันสามวันสติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเพราะอะไรเพราไปหัดรู้สภาวะ ถ้าฟังแล้วไม่ไปหัดรู้สภาวานะก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวก็ลืมนะเดือนหน้ามาฟังอีกมันก็อยู่ที่เก่านั่นแหละหนะาอะไรพัฒนาไม่ได้แต่ถ้าฟังแล้วไปหัดรู้สภาวะตามที่หลวงพ่อบอกนะในเวลาหนึ่งเดือนเนี้จิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงตั้งมากมายละ่ะจิตที่ไม่เคยมีสติจะเกิดสติขึ้นมาจิตที่ไม่เคยตั้งมั่นไม่เคยสงบจะตั้งมั่นจะสงบขึ้นมาสมมติอัศจรรย์มากนะแมื่อคอยรู้สึกไปหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆ อย่างนั่งฟังหลวงพ่อก็หัดรู้สภาวะได้สังเกตไหมบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อมองหน้าหลวงพ้อนิดนึงฟังหลวงพ่อหน่อยนึงแล้วจิตก็สลับไปคิดสังเกตไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปนี่หัดรู้สภาวะไปนะจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้หัดไปเรื่อยๆอดทนนะเบื้องต้นต้องอดทนมากหัดรู้สภาวะไป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 มีเรื่องแต่กายกับใจดังั้นเราก็ต้องรู้กายรู้ใจเครื่องมือในการรู้กาย ร, รู้ใจเรียกว่าสติสติเป็นความรารึกได้หลวงพ่อบอกละเอียดถึงขนาดว่าสติเกิดขึ้นได้เพราะจติตจําสภาวะได้บอกกระทั่งวิธีที่จะทําให้จติตจําสภาวะได้คือหัดดูสภาวะบ่อยๆงั้นหัดดูทํากรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาก่อนเดินจงกรมก็ได้ใครชอบเดินจงกรมก็เดิน แต่ไปล้จิตนี้ไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเป็นกุศลอ่ะกุศลคอยรู้เรื่อยๆถ้าฝึดไปอย่างนี้ต่อไปสติจะเกิดเองทุกวันนี้ถ้าไปอยู่ที่วัดที่หลวงพ่ออยู่ทุกวันนี้นะจะมีคนมารายงานการปฏิบัติอยู่เสมอมีทุกวันแหะว่าตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรแต่สติเกิดขึ้นเองละกิเลสไว้ตัวแว๊ขึ้นในจิตสติเห็นกิเลสขาดสะบั้นตรงนั้นเลย สติแก่กิเลสมันเกิดร่วมกันไม่ได้นี่เราเห็นกันถึงขนาด น, นี้นะใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเราทําแต่เอาความสงบความนิ่งแล้วมันก็นิ่งไปเรื่อยๆนะขี่ปีมันก็นิ่งอยู่อย่างนั้นหลงพ่อนิ่งอยู่ยี่สบสองปีมันไม่เกิดปัญญาก็อะไรเพราะเราไม่ได้มารู้กายรู้ใจต่างว่าเป็นจริงหัดเอาหนะหัดเอาได้ขถาวว่าที่สาราลุงชินนี่เขเทศเดินยี่สิบนาทีใช่ไหมให้ือ้ปล่า ถึงมาตะโกดกฟังได้ยี่สิบนาทีนะฮหันเอาหน้าหันเอบถ้าฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่นานเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันไดนะ้การเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่นะคือวัวใจของการสถิบัติหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าทำสมาธิมากติดแต่สมาธินะเนิ่นช้า อยู่กันในสิบปียี่สิบปีสามสิบสี่สิบปีมีนะติตสมาธิหกสิบปีก็มีทําสมาธิมากเรื่องช้าแต่ไม่ทําเลยไม่ได้นะเขาทําเพื่อให้ใจได้พักผ่อนเป็นครั้งเป็นคราวคิดพิจารณามากคู้สั้นธรรมะไม่ได้เอาไว้คิดนะแต่ถ้าจิตใจมันเป็นติดความสุขความสงบเฉยเฉยอยู่ก็ช่วยเป็นคิดพิจารณาเช่นพิจารณากายเป็นอุบายแก้ความติดสงบติดเฉย แต่ถ้าคิดอย่างเดียวเนยฟุ้งซ้านหลวงมั่นท่านสรุปเลยบอกว่าหัวใจของการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจํำวันถ้าใจฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกแนละ้วเราจะเจริญสติในชีวิตประจําวันได้อย่างเราหันดูสภาวะที่หลวงพ่อบอกเนี่ยต่อไปจิตมันรู้จักสภาวะใจเผลอวิคิดก็รู้ใจวิ่งไปดูก็รู้ใจวิ่งไปฟังก็ ร, กรู้ใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ จิตใจเป็นภูสุนนะภูสุนะรู้หมดพอรู้แล้วเนี่ยเราสามารถจเจริญสติในชีวิตประจำวันแะล้วไม่ต้องพูดเรื่องการปฏิบัติเลยมันปฏิบัติของมันเองแค่ตื่นนอนที่หลวงพ่อเราเมื่อกี้ตื่นนอนมานึกได้ว่าวันนี้วันจันใจแห้ง แ, ง แ, แล้งเห็นละว่าใจแห้งแล้งเห็นแล้วมันได้อะไรมันได้เห็นไตรลักษณ์นั่นเองใจทีแรกเฉยๆนะพอคิดอย่างนี้ขึ้นมาความเฉยดับไปเกิดใจที่แห้งแล้งขึ้นแท้ เหนไหมจิตที่เฉยเฉยไม่เที่ยงเกิดจิตที่แห้งแรงขึ้นแผ่นพอสติเราเรกรู้ว่าจิตแห้งแรงจิต ท, ที่แห้งแรงจะดับทันทีเกิดนะจิต ท, ที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเราก็จะเห็นอีกจิต ท, ที่แห้งแรงเกิดแล้วก็ดับไปเกิดนจะิตที่รู้ตื่นเบิกบานขึ้นแผนจิตที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยพอสติเราเริร่องไปอีกทนะีความเบิกบานก็จะกลายเป็นเบิกขานิ่งๆขึ้นมาละเราก็จะเห็นเลยจิต ท, ที่เบิกบานเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกลายเป็นจิตที่มีเบกขา เผลออีกแว็บหนึ่งอ่ะจิตจะเผลอ ER ละห้ามไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะไม่ได้เรียนเพื่อห้ามเผลอนะแต่อยาัาเผลอนานใจอาจจะเผลอไปคิดเรื่องอื่นเช่นพ่อต้องรีบไปอาบน้ําแล้วนะตื่นแล้วใจรุกลี้รุกลนขึ้นมาตรงนี้เป็นอักขุสวแ ล, ล้วใจรุกลี้รุกลนขึ้นมาลืมเนื้อลืมตัวสติเราลึ่นปั๊บเลยอ้อเผลอไปอีกแล้วนะรุกลี้รุกลนขึ้นมาละเดินไป จ, จะไปอาบน้ําเนี่ยสมมติว่าหน้าหนาวเปิดประตูห้องน้ําไปเห็นตุ่มน้ํา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 พอเรารู้ทางนั้ใจมีความอยากความอยากก็จะขัดส บ, บ้านลงไปอีกเป็นอุเบกขาขึ้นมาอีกนะหรืออาจจะเบิดบาดขึ้นมาสภาวะอะไรเกิดต่อเรื่องมาก็คอยรู้ไปเรื่อยๆฝึกอยู่อย่างนี้แหละฝึกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วหลวงพอก็ไปขึ้นรถเมย์นะตอนเชา้าไปขึ้นรถเมย์ไปทํางานออกมาที่ใต้รถเมย์เห็นคนเยอะพอๆกันที่ศาลาลุงชินเนี่ยนะเรามีเพื่อนร่วมทางมากมีความสุขไหมมันไม่สุขนะเห็นคนเยอะเยอะรุ้มใจนะ รู้ใจรู้ว่ารู้ใจนะรถเมย์มารถเมย์ว่างๆเราดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดเปลี่ยนใจดีใจเป็นโกรธนี่ตึกของเราอยู่อย่างเนี้ยเร า, าพาดตามรู้อยู่อย่างนี้ทั้งวันแต่ถึงที่ทํางานเมืนะ่อก่อนอยู่ทาเนียบรัฐบาลเอาเวลาเหลือสิบนาทีนะเดินผ่านนอกชมนก ช, ชมไม้มีตึกมีต้นไม้สวยๆจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขแมนะ้จิตตะกี้เฉยๆตอนนี้มีความสุขละจิตใจเราเปลี่ยน เี่แสดงไตรลักษณ์อยู่ตรงนี้แสดงทั้งวันมีความตุกไปแล้วแล้วก็นึกได้วันนี้บัวหน้ากองไม่มานะหน้ากองจะไปประชุมที่อยู่จิตใจมีความตุกเป็นสองเท่าเราพระนิจจการที่ดีพอเดินขึ้นมาถึงห้องทํางานแจ๊ะเอ๋ัวหน้ากองมาอ้าผิดหวังผิดหวังรู้ว่าผิดหวังไม่หักสึกไปฝึกไปเรื่อยเจ็ดวันเจ็ดเดือนฝึกไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีฝึกไป ถ้าปึ๊งขเราอยู่อย่างเนี่ยนะไม่มีอะไรมากปึ๊งไปคาราะาก็ทําได้นะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทําได้ทั้งหมดเนี่ยเราทามาค้าขายก็ทําได้นะค้าขายเช่นวันนี้ลูกค้าเราเยอะเลยดีใจวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยเี่ยไม่สบายใจ <S <S ที่วันหลวงพ่อ ก, ก็มีหมอไปเยอะนะหลวงพ่อยกตัวอย่างของหมอเนี่ยหมอก็จะเด็นชัด <S <S อย่างวันไหนขับรถเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ลถออกมาหน้าประตูโรงพยาบาล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 ถ้าตื่นอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวสติตัวจริงเกิดพอสติตัวจริงเกิดเล้วยใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาสัมมาสมาธิจะเกิดขึ้นเองใจจะตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็เห็นกายเห็นใจเนืองเนืองเห็นบ่อยๆมันเห็นเองไม่ได้เจตนาจะเห็นพอเห็นมากเข้ามากข้าปัญญาจะเกิดปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราเข้าใจแหละร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตใจก็เป็นตัวทุกข์ ไม่ใช่เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเข้าใจอย่างเนี้จะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถืใจได้นะจิตใจมันจะหมดภาระนะมีแต่ความสุขล้วนๆเพราะนั้นเราเรียนกรรมฐานเราค่อยๆฝึกไปเน่ความสุขนั้นมหาศาล ร, รอเราอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราฝึกผิดนะล้มลุกรุกลาเหนื่อยยากนะลําบากมากฟังให้รู้เรื่องก่อนหนละวงพ่อมักจะมีซีดีแจกบ้างแจกหนงสือแจกคลดีบ้างนะไล่ไปแล้วไปายามฟังเลย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 พอเราตื่นขึ้นมาเราก็นั่งคิดคิดคิดคิดไปทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่ําค่ํายันดึกนะหลับไปก็ไปฝันต่อฝันก็คือคิอคดยามหลับนั่ละเปิดความคิดคือความฝันก็อยามตืบนหลงหลงไปธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วนี่มันจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ น, นี่เป็นกฎธรรมชาตินะเป็นกฎเลยเป็นกฎธรรมชาติ เพ่าะฉะนั้นตราบใดที่เรายัางหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เราทำมิปัสสนาไม่ได้หลวงพเกียรท่านสอนดีนะเกียนตหลวงพ้อไม่ได้เรียนกับท่านไปอ่านธรรมะของท่านแล้วเออท่านสอนดีท่านบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดคนทั้งโลกนะรู้แต่เรื่องที่จิตคิดไม่รู้ว่าจิตกาลังไปคิดอยู่ ท, ทันที find. ที่เรารู้ว่าจิตกําลังไปคิดอยู่นะเราจะตื่นขึ้นในัฌาัน์เราจะหลุดออกจากโลกของความคิดเกิดความรู้สึกตัวในฌาปนเราจะเห็นทันทีในกายนี้ไม่ใช่เราเราจะเห็นทันทีเลยจิตนี้ไม่เที่ยงจะเห็นมลงไปเห็นตั้มแล้วตั้มอีกถึงวันหนึ่งจิตมันพอแล้มันตัดสินความรู้นะมันรวมเข้ามาแล้วมันตัดสินของมันเองไม่ใช่เรื่องประหลาดนะไม่ใช่เรื่องยากธรรมะไม่ใช่เรื่องคนวิสัยไม่ใช่เรื่องหมดยุคหมดสมัยแล้ว ใครทำใครก็ได้ทำแทนกันไม่ได้นะที่สำคัญต้องหัดเจริญสติในชีวิตเป็นจังหวัดถ้าเรายัางรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมกับการดำเนิชีวิตของเราเป็นคนละส่วนกันเรายัางห่างไกลต่อมรรคผลนิพพานมากถ้าเรารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตปกติของเราเป็นอันเดียวกันเราใกล้ต่อมรรคผลนิพพานละเมืม่อต่อแบบมวันก่อนแล้วนะมีเด็กนมนุมคนนึงไปถามหลวงพ่อที่วัดหงพ่อ บอกว่าผมจะฝึกเดินจงกลมจะเดินยังไงผลวพ่อเรียกเลยของเอาออกมาเดินหน้าชั้นเนี่ยมีที่เนี่ยออกมาเดินเลยให้คนเป็นร้อยเนี่ยดูเนี่ยก็ใจเด็ดนะไอ้หนุ่มเนี่ยรูปออกมาจริงรูกเดินก้มก้มก้มออกมาหลอก็รีบบอกอย่ า, ยาเพิ่งเดินรู้สึกไหมที่เดินมาสามปีเก้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกตัวเลย้็ อ, อะไรเขาคิดว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติ เดี๋ยวต้องมาเข้าหัวจงกรมหัวทางจงกรมก่อนถึงจะเริ่มการปฏิบัติเดินอยู่ทุกๆ ก, ก้าวนี่ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติไม่แยกการปฏิบัติกับชีวิตออกจากกันและแท้จริงการปฏิบัติทำมันตลอดเวลานะเท่าที่มีสติจะทําได้ไม่ใช่ไปแบ่งว่าช่วงนี้คือเวลาปฏิบัติช่วงนี้ไม่ต้องปฏิบัติคําว่าไม่ต้องปฏิบัติต้องไม่มีอยู่ในสา ร, ระบบของเราเลยถ้าอยากได้มากผลจริงๆ ง, งั้นลุกขึ้นมาหลวงพ่อเรียกให้มาเดินจงกรม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 เป็นความปรุงแต่งป่าชั่วเขาคิดเรื่องปฏิบัติก็เริ่มบังคับกายบังคับใจวางกอมถึงถึงพวกเราเป็นไหมเป็นนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบเริงใจนะ<ม>เกือบร้อยละรนะ้อยอ่ะคือนักวางกอมต้องทำถึงให้มันจะดูสาง่างามดีนะหน้านับถือหารู้ไหมว่าเดินทรัพย์ ป, ปิ้งก็เดินจงกรมได้นะเดินข้ามทางม้าลายก็เดินได้แต่อย่าไปเดินย่องย่องนะรถพับเอา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 ต่อมาฝึกปฏิบัติเข้านะจิตมันเป็นผู้รู้เด่นดวงขึ้นมานะเส่วนใหญกก็จะนงแล้วอยู่ที่นี่เองถ้าสติปัญญายแก่รอบอีกหรือครูบาอาจารย์เคยบอกให้จะเห็นอีกตัอจิตนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยตัวจิตก็ไม่เที่ยงตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละ ต, ต, ต, ตัวอนัตตาจิตปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตแล้าถึงจะหมดภู ร, ร, รักษ์คามสัสนาหมดความทุกข์กระตรงนั่นเอง คูบาาจารย์ท่านก็สอนต่อๆกันมาอย่างนี้นะผมก็ ป, ประจาจำท่านมาบอกให้พวกเราฟังใจลอยแล้หรือจักใจลอยอยังรู้สึกไหมมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจนี่ก็ลืมตัวเองนะเห็นไหมมีแต่คนลืมนะคนนี้เลยเกรงเลยนะ <laughs> ประคับตัวเองรู้สึกไปอย่างที่มันเป็นง่ายๆไม่ได้มีอะไรเลย วันนี้เทศจบแล้วนะใครอยากกลับบ้านเชิญใครอยากแกะกลับก็เชิญนะเชิญไนดะ้ไม่ว่ากนะันเมื่อก่อนหลวงพ่อมาทําในโรงคูเดียนเทศนะต่างกันยี่สิบนาทีก็กับบ้านเนาะอย่านี้อึดหน้าดูเลยแต่ส่วนมากไปเรียนที่หลวงพ่อนี่ยไม่ไล่ไม่ยอมกลับนะส่วนมากก็ต้องไล่หลายเลยโหนึ่ยหน้าซ้ำๆคนหนึ้องไล่แล้วไล่อีกไม่ยอมกลับ อย่าติดครูบาอาจารย์นะเสียเวลาสตมื่เวลาหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยเพารู้วิธีเท่านั้นหลวงพ่อกราบนะ่ะกราบลาลผมจะไปทําลนะผมไม่แม่นั่งแช่มองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขอยู่หรอนะ <S <S <ๆ>หลายคนมามองหน้าอาจารย์แล้วมีความสุขเเหนนะเลอเเปลอเเสียเวลาใครจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้รีบๆทํายืนเดินนั่งนอนรู้สึกไป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 เราเปึกมากข้ามากข้าเราเห็นว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษเมันถึงจะยอมบอดยกตัวอย่ า, ง, าองอย่างร่างกายของเราเราพ า, ากันนั่งนะพอเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิรยาบถแปบบ๊บเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ทันรู้ความจริงของกายแต่ถ้าเราอยากรู้ความจริงของกายเรานอนนั่งนะเบื้องต้นนั่งให้สบายก่อนนั่งสักพักเดียวมันเมือเม่อยมันเมื่อยเราก็ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถเส้นพับเทียบเปลี่ยนข้างข้างซ้ายข้างขว า, ขา เรเปลี่ยนอิริยาบถพบความเมื่อยหายไปจิตใจมีความสบายขึ้นมาร่างกายสบายขึย้นมาเดี๋ยวพอเมื่อยเราก็ขยับตัวอีนี่คนทั้งหลายก็ขยับตัวทั้งวันนะแต่ทั้งนอนหลับนอนหลับก็เมื่อยนะนอนหลับก็เมื่อยต้องพลิกไปพลิกมาคือหนึ่งพลิกสี่สิบห้าสิบครั้งนะคนคนหน่งเอะไรก็มันทุกข์ความทุกข์มันดิบตันตลอดนั่งอยู่มันทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะนอนอยู่ทุกข์ก็ต้องพลิกไปพลิกมา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 แต่ความทุกตามเล่นงานเราทั้งวันทั้งคืนไม่มีหยุดพักเลยแต่ถ้าเรามีสติรู้กายเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนเลยนะกายนี้ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างหแต่เดิมเราคิดว่าร่างกายมีแต่ความสุขเจ็บป่วยขึ้นมาถึงจะมีความทุกข์แต่ถ้ามามีสติรู้อยู่ที่กายจะเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างมีแต่แค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองทุกข์มากกับทุกข์น้อยเนี่ยพอจิตใจของเรารู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆเวลาร่างกายนี้จะแตับ จะไม่ทุรนทุรายนะจิตใจของเราจะไม่ทุรนทุรายมันจะไม่เสียดายว่าตัวดีกําลังจะตายแต่มันรู้สึกว่าตัวทุกกําลังจะแตกและสมน้ําหน้ามันนะจิตใจมันจะห้าวหานแล้วถ้าเรามาหาดัดดูจิตดูใจอะไรจะเห็นจิตใจไม่เที่ยงจิตใจเราเปลียดตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายค่อยดูไปเรื่อยแต่ว่าวันวันหนึ่งเราวิ่งหาความสุขทั้งวันนะเราอยากจะมีความสุข ไปดูหนังฟังเพลงก็หวังว่าจะมีความสุขไปมีผัวมีเมียอะไรก็หวังว่าจะมีความสุขนะอยากมีลูกก็หวังว่าจะมีความสุขอะไรเงี้ยมีงานมีการก็อยากจะมีความสุขทําอะไรสารพัดเพื่อหาความสุขแต่ถ้าเราเามีสติรู้จิตใจของเราเราจะเห็นเลยความสุขอยู่แวบเดียวเองความสุขอยู่ประเดี๋ยวเดียวนะอย่างคนไม่มีเมียนะอยากได้เมียคิดว่ามีแล้วจะมีความสุขพอได้เมียมาจะรู้สึกว่างั้นเนี้ยนะงั้นเงี้ยนะแต่อย่าไปบอกให้เมียรู้นะ ความจริงไม่พูดก็ได้นะรู้เอาไว้เฉพาะตัวเนี่เราจะวิ่งหาความสุขแต่ว่าถ้าเรามีสติรู้เลยความสุขสั้นนิดเดียวหรือบางคนอยากได้รถรุ่นใหม่เก็บเงินแทบตายเลยไปซื้อรถลาบากตั้งนานไปซื้อรถมาขับนะไม่มีความสุขปร ะ, ะเดี๋ยวเดียวนะเสร็จแล้วเริ่มกลุ่มใจแล้วกลัวคนมากวัรถเราดีแต่ความทุกข์ต่างใหม่ลวความสุขมันสั้นนิดเดียวถ้ารู้ได้อย่างนี้จะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราว ความดิ้นรนของจิตใจที่จะวิ่งหาความสุขตลอดเวลาความดิ้นรนของจิตใจที่จะหนีความทุกข์ตลอดเวลามันจะหายไปนะจิตใจหมดการดิ้นรนเลยจิตใจเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงเนื่อฝึกไปนะเราจะมีความสุขรู้ลงไปที่กายรู้ลงไปที่ใจเลยนั่นนะมันทุกข์ล้นๆแล้วเมื่อไหร่แล้วก็มันจะปล่อยวางวันนั้นถ้ายัางเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ปล่อยออกนักข อ, อยังหลวงพ่อข้อเทศเหมือนกันทุกวันนะ มีหลักฐานว่าเท่เหมือนกันทุกวันคือไปฟังซีดีหลวงพ่อได้เหมือนกันทุกม้วนอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ทำไมจะต้องฟังหลายแผ่นเนาะแผ่นเดียวพอแล้วมันเหมือนกันทุกวันคือฟังแล้วก็ต้องับให้เป็นเท่านั้ให้เป็นพวกเราที่นี่หลายคนนะเวลามาถามปัญหาหลวงพอ่อปัญหาส่วนใหญ่ที่พวกเราถามจะเป็นเรื่องของการปิดสมถะนะปิดสมถะเช่นมานั่งถามหลวงพ่อว่า นั่งสมาธิไปแล้วตัวโปร่งมันเป็นยังไงตัวเบาๆเป็นไงบางทีก็รู้สึกตัวหนักๆเนี่ยเป็นยังไงไม่ได้เป็นไรนะเป็นสมถะไม่ได้เป็นอะไ ร, ะ ร, ไไะไรหรอกบางคนก็ปฏิบัติแล้วบอกเนี่ยจิตใจสงบนิ่งมาสามปีแล้วนิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันช่างมีความตกแล้วเกิด น, นี่ก็ติดสมถะ อ, อะไรมันจะนิ่งอย่างนั้นเราต้องการปฏิบัติให้เห็นไตรลักษณไม่ใช่ต้องการปฏิบัติให้มันนิ่งปฏิบัติเพื่อให้เห็นไกตรลักษ อย่างกายกับใจเหานี้เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นใจรักษณ์นะเพื่อให้เห็นเลยอยากก่างจิตใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้ปฏิบัติให้เที่ยงจิตใจเป็นทุกข์ไม่ได้ปฏิบัติให้มันเป็นสุขจิตใจเป็นอนัตตามไม่ได้ฝึกบังคับมันให้ได้แต่ฝึกให้เห็นธรรมดาของมันเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปนะตาเขาเห็นธรรมดาแล้วมันปล่อยนะปล่อยวางงั้นไม่ได้ไปฝึกให้นิ่งๆนะพอหลวงพ่อให้ถามนะตอนนี้จะไม่มีคนถามแต่พอเลิกแล้วจะมาถาม ส่วนใหญ่ที่ถามจะเป็นเรื่องสิลสัมปาทาทั้งนั้นเลยงั้นหลวงพ่อตอบเหมาเหมาเลยนะใครจะถามเรื่องสัจจานะไป ห, หาหนักสืออ่านเอานะลองถามเรื่องเจริญปัญญาบ้างสัมปทามันง่ายเพ่งเอ้อยนิ่งนิ่งเหมือนก็ได้แล้วสมัมปทาอ้าวใครจะถามคุณมลเอาไหมอ้าว่างไงไม่มีก็เลิกเอะเชิญเชิญเดี๋ยว คือคือตัวจิตเนี่ยเราจะเห็นอย่างแจ่มแจ้งนะตอนที่มรรคจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่มรรคจะเกิดเนี่ยเราไม่ได้ดูเข้าไปถึงจิต ถ, ถ, ถึงใจที่ตัวจริงของมันหรอก เราจะดูจิตที่เป็นจิตที่ปรุงแต่งเราั้นสรุปง่ายๆเลยเราดูสองอย่างเบื้องต้นเราดูความรู้สึกซึ่งไม่ใช่จิตหรอกในจิตตารนุปัศสนาดูให้ดีท่านบอกจิตมีราคารู้ว่ามีราคาใช่ท่านไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆนะท่านดูตัวราคะจิตมีราคารู้ว่ามีราคาแต่ถ้านไม่ได้สอนว่ามีราคาแล้วให้ละซะด้วยให้รู้เฉยๆทันทีที่สติเกิดราคาจะดับเอง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 จิตแหละแต่ละดวงแต่ละดวงไม่เที่ยงต้องดูอย่างนี้นะอาศัยเจตสิกนั่นแหละไม่ได้ดูตัวจิตตรงๆจิตอย่าไปดูมันตรงๆนะถ้าอยู่ๆไปจ้องใส่จิตจะไม่มีอะไรให้ดูว่างๆไปเฉยๆหลวงพ่อเคยสงส่นะสมัยก่อนพอดูจิตแล้วเราพบว่าผู้รู้กับสิ่งที่สุสๆรู้มันแยกจากกันเราดูตัวนี้ เ, เดิมดูอยู่อยู่ที่กลางหน้า อ, อกเนี่ยอาจารมหาบัวถึงสอนเลยทำแท้กเกิดขึ้นกลาง อ, อก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 ถ้าจิตเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยทั้งวันทั้งคืนเป็นหนึ่งรวดนะไม่มีการไปไม่มีการมาเลยนะเรายังเห็นไม่ได้นะดูจิตที่เปลี่ยนแปลงเป็นจิตสองจิตสามจิตสี่ไปก่อนยังไม่ถึงจิตเดียวจิตหนึ่งหลวงปู่บุตรดาเรียกจิตเดียวหลวงปู่โดนเรียกจิตหนึ่งท่านพุทธทาสท่าเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่มั่นเรียกขีติจิตแล้วแต่จำนวนนะสมเด็จพญารสังวรท่านเรียกว่า มนโนภาพอย่างนี้เรายังไม่เห็นหรอกเพราะั้นดูดูของกรุงแต่งไปก่อนถ้าใครจะกลับก็เชิญนะไปยอยกันกลับไปเออ อเออนั่นแหละเออนะแยกไปกสิ่งที่ถูกรู้กับจิตนั้นไม่เกี่ยวกันหรอกความเศร้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตของเราในขั้นนี้มันจะประพัดสอนผ่องใสแต่เป็นจิตที่มียวิชานะเพียงแต่ผ่องใสแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะกิเลนนสเนี่ยแทรกเข้ามาเป็นกล่าว ถ้าเรารู้ ท, ทันกิเลสน้มันจะกระเด็นหลุดออกไปใจก็ผ่องใสขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องพยายามแยกนะให้มันแยกของมันเองถ้ารู้ไปใหม่ๆเราจะรู้ได้แต่สภาวะหยาบๆต่อมาเราสภาวะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น ายอยาละเอียดจริงที่สุดเลยจะเป็นความไหวยิบยับยิบยั บ, ยบอยู่ข้างใ น, นแค่นั้นแหละแต่ว่าต้องระวังอย่างหนึ่งอย่าถลําลงไปจ้องมันเวลาดูมันจะเหลือไหวยิบยับยิบยัเนี่ยอย่าจ้องใส่มันถ้าจ้องนะมันจะหดลึกก็รีบหนีลึกๆๆๆอย่าหลงไปตามนะอย่าตามเข้าไปหลงพ่อสมัยหนึ่งปฏิบัติเนี่ยดูชํนนานาญมากเลยนจนกระทั่งมันไหวยิบยนียิบยับเสร็จแล้วตามดูไปเรื่อยมันก็หนีลึกๆเข้าไป วันหนึงไปเจอหลวงปู่สินครับโดยหลวงปู่สินท่านแสวนะท่านท่านเก่งจริงๆหลวงปู่สินมันเราไม่ได้ถามอะไรท่านนะไปกราบกาบท่านนะท่านมองหน้าแล้วท่านยิม้มยิมบอกผู้รู้ผู้รู้ทำท่าด้วยนะผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่นอกๆนี่ฟังแล้วงงน ะ, อะเออเราเคยได้ยินว่าอย่าสง่งกี่ออกนอกหลวงปู่สินบอกออกมาอยู่นอกๆแต่เดิมหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งกี่ด อ, อกนอกลูกติดชั้นดีก็เลยส่งเข้าข้างใน หลวงปู่เทศท่านอายุน้อยกว่าท่านเลยเติมอีกคําไม่ส่งนอกไม่ส่งในลูกติดเลยประคองไม่กลางกลางมาถึงสมัยหลวงพ่อต้องเติมอีกประโยคประคองก็ไม่เอาอย่าประคองลูกติดก็พัฒนาการปรุงแต่งขึ้นไปอีกนะหาทางไม่ประคองอีกละคืออดไม่ได้ที่จะปรุงแต่งแต่ถ้าเรารู้ทันว่าเราปรุงแต่งอยู่นะความปรุงแต่งก็จะขาดไป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 อ, อไปบวชสิแล้วหลวงพ่อจะเล่าให้ปังสร <c oughs> ัการประกาศเราไหนไหนอไหนองีหลวอประกาศออกมาประกาศนะครับสนใที่มาผ่าตัดตนมาแล้วโอนะครับแล้วก็คว่าะไก็ เออกรมานะโหติกรรมนะานที่เราดูดูที่ทาเราดูแน่ว่าดูอยไดูอยู่ห่างๆดูอย่างสักว่าดูนะไม่ว่ารู้สภาวะอะไรนะอย่าส่งจิตเข้าไปแนกมัน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 จิตกับขากขาคนละอันกันจิตกับเวทนาก็าคนละอันกันเวทนากับร่างกายก็คนละอันกันเจ็ขันมันจะกระจายตัวออกถ้าดูเวทนาดูอย่างนี้นะแล้วจะเห็นเลยกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตเวทนาส่วนเวทนาแต่ละอันไม่ใช่ตัวเราคอรเวลาเราอยู่นาี่นกี่วา่มือขาาะเลิอกับ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 ในฐานกายฐานเวทนาหรือฐานจิตหรือฐานธรรมถ้าจะดูกายมันเมื่อยนะกายมันนั่งอยู่มันเมื่อยก็ลุกขึ้นเดินเราจะเห็นในรูปที่นั่งอยู่ดับไปแล้ว เ, เกิดเป็นรูปที่เดินขึ้นแทนถ้าเราจะดูกายเนี่ยเราไม่ได้สนใจเวทนาเราให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆร่างกายที่ถูกความทุ้มบิบทั้นพอลุกขึ้นเดินนะสบายเดี๋ยวความทุ้มบิบคั้นอีกแล้นี่ดูกายนะแต่ถ้าเราจะดูเวทนาห้ามขยับ ดูไปเรื่อยจนให้เห็นเลยเวทนากับจิตนี่ไม่เกี่ยวกันเวทนาไม่ใช่ตัวเราดูไปเพราะงั้นถ้าจะดูเวทนาก็ต้องโทนเอาถ้าจะดูจิตละ่ะเวลามันเมื่อยขึ้นมาจิตกระสับกระส่ายรู้ว่ากระสับกระส่ายเปลี่อริยาบทเลยจิตมีความสุขแล้วจิตพออกพอใจดีใจแล้วรู้ว่าดีใจมันอยู่ที่เราใช้ฐานอะไรในาการทาาํากรรมฐานถ้าจะใช้ฐานเมทนาก็สละเป็นสละตายดูกันฐานกายก็ขยับไปเปลี่อริยาบท เราดูให้เห็นเลยกายนี้มันต้องอยู่ในอิริยาบทนั้นอิริยาบทนี้แต่ละอิริยาบทคนอยู่ไม่ได้นะเป็นทุกขังมันคนอยู่ไม่ได้ถ้าจะดูจิต ด, ดูให้เห็นเลยมันเป็นอนัตตบาบางังคับมันไม่ได้นะมันจะสุขหรือมันทุกข์ก็เลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะร้ายก็เลือกไม่ได้มันจะไปทางตาทางหูหรือทางใจเลือกไม่ได้หรืออย่างต่าำก็เห็นว่าเป็นอนิจจจิตเมื่อกี้เบลอตอนนี้รู้สึกจิตเมื่อกี้โกรธตอนนี้รู้สึกจิตเมื่อกี้หลงตอนนี้รู้สึกอะไรเงี้ย รู้สึกเอาดูให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจ จ, จังโอนนเรียนถามว่า้ามาว่างยรน่ะาว่ า, าิ่าโอเดี๋ยพิ่งเรียนเลยนะเรียนแล้วเดี๋ยวจำเอาไว้ <c oughs> คือจิตจะปล่อยวางจิตนะจิตต้องเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง ส, สะก่อนให้คำพูดของโลวงูดูลนนะลึกที่สุดเลย แต่เดิมเราดูจิตนะเราเห็นจิตสุขบ้างจิตทุกข์บ้างอะไรเราก็รู้สึกว่าเราเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วยังไม่แจ่มแจ้งเรารู้สึกว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนี่เรียกว่าไม่แจ่มแจ้งนะถ้าแจ่มแจ้งจริงๆคือจิตเป็นทุกข์ล้วนจิตเป็นอนิจจังจิตเป็นทุกขังจิตเป็นอนัตตาจริงๆถ้าเห็นอย่างนี้ยมันถึงจะยอมปล่อยถ้าไม่ไม่เห็นอย่างนี้ไม่ปล่อยหรอกยังเห็นไม่ได้นะตอนนี้เห็นจิตธรรมดาก่อน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 มันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นถ้าหยุดอยู่แค่นั้นจะไปกลมมาโลกเลยตอนก่อนหลวงปู่ซูลบรณภาพตามที่หกวันหลภาพไปกราบท่านไปกราบท่านแล้วท่านสอนอยู่จนค่ำเลยนะสักทุ่มหนึ่งนะท่านหอบเลยหอบอนี้นะผู้เฒ่าอายุเก้าสิบหกปีนะหอบเราเห็นแล้วสงสารครูบาอาจารย์บอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วหลวงปู่บอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้ ต้องจำไว้ก่อนนะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้เออจำไว้ออไนะแล้วไปไปได้แล้วกราบลาท่านนะใจนี้หายเลยรู้สึกอะไรไอวอนนะหันมามองเป็นระยะระยะเดินไม่กี่ก้าวหันมาดูทีหนึ่งแต่ก่อนนี้เวลากราบครูบาอาจารนยะ์กราบแล้วไปเลยไม่รู้สึกอะไร เสรแล้ววันรุ่งขึ้นนั่งรถไฟจากสุรินไปกคราชไปหาหลวงพ่อพุธคนเต็มห้องท่านห้องท่านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ท่านจะเป็นหน้าหลวงพ่อท่านก็ปากมือเรียบนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านรู้ว่าไปหาหลวงปู่ ด, ดูลเพราะว่าเวลาไปหาหลวงปู่ ด, ดูลเนี่ยกลับจะต้องแวะมาหาท่านทุกทีท่านบอกนักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไร หลวงปู่สอนบอกคอบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้คอบจิตให้ทำลายจิตท่านก็ไปยักหน้านะไปยักช้าช้านะดับสไตล์หลวงพ่อพูดแล้วก็พูดช้าช้าด้วยะรอบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้คอบจิตให้ทำลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานละก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนี้แหละหลวงพ่อก็ไปหาหลวงปู่หลวงปู่ดูลก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อพูดอ่ะนะหลวงปู่ดูลก็บอกหลวงพ่อว่า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 ท่านบอกคุณกับหลวงพ่อมาทํากติกาตกลงกันไว้ใครทาลายจิตได้ก่อนนะให้มาบอกกันนะเราต้องช่วยกันนะอย่างนี้รู้ท่านเป็นมหาเทระนะไอเราอยังเป็นเด็กคารวานะเลยอายุยี่สิบกว่าปีอายุสามสิบหันนีสามสิบพอดีเสร็จแล้วก็ไม่เจอท่านนานนะไปหาท่านท่านไม่ค่อยอยู่วัดละแต่หลังๆเด็กน้งสุดท้ายมาเจอท่านที่องค์การโทรศัพท์เนี่ย ก่อนท่านมรณภาพไม่นานเข้าไปถึงท่านเทศฟังท่านเทศจบแล้วเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่เจอลุงพ่อตั้งนานแล้วหลวงพ่อพุทท่านบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกไม่เจอกันสิบกว่าปีนะท่านจําได้หลวงพ่อผมยังทําลายจิตไม่ได้เลยคราวนี้นะโอ้ท่านจิตใจท่านน่ะคึกคักขึ้นมาฉับพันเลยนะทีแรกท่านก็เหนื่อยท่านเป็นมะเร็ง ใกล้มรณภาพและวให้พึกคักขึ้นฉับลันเลยนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนไข่ไก่เนี่ยเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่นั้นเติบโตเต็มที่แล้วจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองโอ้โหพูดห้่าหานฝางแล้วขนลุกเลยนเราเข้าใจภูมิจิตภูมิธรรมของท่านเลยในกราบกราบท่านนะลงมาข้างล่าง เดี๋ยวท่านก็ลงมาขึ้นรถตอนรถท่านผ่านหลวงพ่อลงไปหมอบอยู่ที่พื้นนะกลับ ท, ท่านเปิดหน้าต่างมามองนะใจอะไรอาวรท่านเลยอยู่ไม่กี่วันท่านก็ไม่อยู่แล้วหลวงพ่อถึงบอกพวกเราได้อยๆ่ยามาทําให้หลวงพ่ออะไรอาวร น, นะ <c oughs> มีเคสหลายหลายเคสละนะทํำตัวให้หลวงพ่อไม่คิดถึงไว้อดี <c oughs> มันทําลายของมันเอง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 ท่านเห็นว่าจิตผู้รู้นี่ไม่ใช่อะไรของท่านเลยท่านยอมคืนให้ธรรมชาติไปเฉยๆสลับทิ้งไปเฉยๆนั้นอาการที่เห็นอย่างเนี้ยจะมีสามากนี่จําครูบาอาจารย์มานะเดี๋ยวจะมาเล่นงานสักเอาว่างไงทางฝั่งสาวน้อจะถามผ้าตาไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อค่ะที่ขออนุญาตค่ะ ก็มีลูรไปหลับไปทั่งทานแล้วเมื่อสุิเคจงกนกค้กรการที่ได้นะถ้าสติตัวจริงเกิดเนี่ยจิตใจจะมีความสุขนะแต่ความสุขจะไม่บวอหวาเหมือนปีติในสมรพนะมันจะมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาจิตใจมีความสุขขึ้นมาถามว่าทาไมอยู่ๆแค่มีสติขึ้นมาก็มีความสุขละ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 โล ก, โลกนนคือจิตที่สมมติว่าเราเผลอๆ อ, อยู่นะพอร่้ว่าเผลอพุ๊บมันจะโล่งเลยโ ล, โล่งโปร่งจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีสติจริงๆเนี่ย จ, จะมีองค์ประกอบหลายตัวอันแรกจะมีละอุตามีความเบาอะถ้าเราปฏิบัติแล้วจิตหนักๆต้องรู้นะว่านั่นอาจ ก, กุศ ล, ลจิตแล้วไม่ใช่กุศลจิตที่เป็นกุศลมีมุตุตานุ่มนวลต้องนุ่มนวนลด้วยนะไม่ใช่เบาอย่างเดียวแล้วไม่นุ่มนะ รุ่มรนเรียกมุตุตาจิตจะต้องไม่มีนิวรณ์ครอบงำเรียกว่าควรแก่การงานมีกรมัญตาไม่มีกิเลสแทรกจิตต้องปราดเรียวคล่องไหวไม่แข็งไม่ซึนไม่ชื่อ น, นะจิตของคุณชื่อชื้อนิดนึงดูอกไหมชื้อชื่อตัวนี้ยังไม่ใช่นะเขาฝึกนะให้สติตัวจริงเกิดขึ้นมาถ้าคุณผู้หญิงนี้ อะไรนะอีาที่ที่นยอะ้งบอก่าทานีคือิเนี่ยยแ่ตแ่็คิ้แม่ก็ไม่ค่ะถ้วัดก็แตกหัวโได้มากเราป็วางใจเรื่องนะจางไอยู่พาดนา่อียอ่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 อยากพูดอีกแล้วรู้สึกไหมอยากพูดคนไม่ไหวแล้วรู้สึกไหมอ่าไม่ต้องบอกก็ได้นะส่งข้อทราบแล้วเอาตอนที่พบอกมพ่อใเนร้สึกว่ันีน่ายงมากเนี่ยเราอย่าละเลยเล็กเล็กน้อยๆ้ยนะหัดรู้สภาวะเรื่อยเรเราอย่าละเลยนะใช่ คือถ้าคุณไม่เห็นตัวสภาวะเนี่ยไม่ใช่การจเจริญสติกิเลสไม่ลดหรอ ก, ก, อกถ้าไปเพ่งไว้เฉยๆนะกิเลสจะยิ่งเยอะกว่าเก่าอีกเ น, นี่ยหล ง, ลงอีกแล้วรู้ไหมของคุณนะต้องระวังเรื่องหนึ่งอย่าพูดนะห้ามพูดธรรมะจำไว้นะแล้วจะดีถ้าคุณพูดธรรมะแล้วใจคุณจะมันจะขนองมันจะกระโดดโลดเต้นรู้สึกไหมมันจะพุทธพักพุทั ก, กมันอยากพูดธรรมะอยากพูดธรรมะอย่าไปพูดมัน เรารู้เฉพาะตัวเราไม่เล่าเอ่องั้นอย่คุยเยอะห้ามคุยห้ามครุกคลีเบื้อต้นพระเจ้าถึงห้ามครุกคลีไม่ให้คุยเราจะคุยไปเรื่อยๆพอคุยไปใจเราจะฟุ้งซ่านแต่ฟุ้งซ่านเราจะเห็นสภาวะไม่ได้แล้วเวลา่นจะมาที่นีคือถ้าเราจะนั่งแต่คนไม่ได้เลยถ้านั่งเล่นแล้วทนได้นั่งจริงทนไม่ได้